เรื่องเจ้าวัทนะิชวีสมัยนั้นเจ้าวัทนะิชวีเป็นสหายของพระเมตียะและพระภุมมชกะครั้งนั้นเจ้าวัทนะิชวีได้เข้าไปหาพระเมตียะและพระภุมมชกะถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระเมตียะ และพระภุมมชกะดังนีว่าพระคุณเจ้าโยมไหวขอรับเมื่อเจ้าวัทะลิชวีกล่าวอย่างนี้พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็ไม่ยอมพูดด้วยแม้ครั้งที่สองเจ้าวัทะลิชวีก็กล่าวกับพระเมตติยะและพระภุมมชกะดังนี้ว่า โยมไหว้ขอรับแม้ครั้งที่สองพระเมตตยะ hm และพระภูมิมัชกะก็ไม่ยอมพูดด้วยแม้ครั้งที่สเจ้าวัทะลิชวีก็กล่าวกับพระเมตตยะและพระภูมิมชกะว่าโยมไหว้ขอรับแม้ครั้งที่สพระเมตตยะและพระภูมิชกะก็ไม่ยอมพูดด้วย เจ้าวัฏทะลิชวีกล่าวต่อไปว่าโยมมีความผิดอะไรต่อพระคุณเจ้าทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่ยอมพูดกับโยมภิกษุทั้งสองตอบว่าจริงอย่างนั้นนั่นแหละวัฏทะพวกเราถูกพระทัพพระมลบุตรเบียดเบียนท่านก็ยังทำเพิกเฉยอ ย, อยู่ได้ เจ้าวัฏทะลิชวีถามว่าโยมจะช่วยได้อย่างไรขอรับภิกษุทั้งสองตอบว่าวัฏทะถ้าท่านเต็มใจจะช่วยวันนี้แหละพระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพมะลาบุตรศึกเจ้าวัฏทะลิชวีถามว่าพระคุณเจ้าโยมจะทำอย่างไรจะช่วยได้ด้วยวิธีไหน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 ก็กลับมีเสนียจันไรทิศที่ไม่มีอุปัตถวะก็กลับมีอุปัตถวะในทิศที่ไม่เคยมีลมก็กลับมีลมแรงน้ำก็ดูเป็นเหมือนน้ำร้อนขึ้นมาประชารดีของหม่อมฉันถูกพระทัพพระมลบทรร ม, มิดีมิร้ายเจ้าวัฒะลิชวีรับคำของพระเมติยะ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 ทิศ ท, ที่เคยปลอดภัยก็กลับมีภัยทิศ ท, ที่ไม่เคยมีสเสียียดจันไรก็กลับมีสเสียียดจันไรทิศ ท, ที่ไม่มีอุปัตถวะก็กลับมีอุปัตถวะในทิศ ท, ที่ไม่เคยมีลมก็กลับมีลมแรงน้ำก็ดูเป็นเหมือนน้ำร้อนขึ้นมาประชาบดีของหม่อมฉัน ถูกพระทัพพระมละบุท ร, รมมิดีมิร้าย